พึงชักภิกษุทายีนั้นเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้คือละภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สมุทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้คือละสงให้ละสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวัน สงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้